บุกทูสามสิบแปดสดในรถแท็กซี่ดีแท็กซี่ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับตลองคุณโทรตั้งแท็กซี ไปสถานีราคาเท่าไหร่ครับ berapa biayanya untuk sampai ke stasiun ไปสนามบินราคาเท่าไหร่ครับ berapa biayanya untuk sampai ke bandara ก, ก, บบ ร, กรุณาตรงไปครับ silahkan jalan lurus saja? การุณาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับดากนี้เบลอกไปทาขวากรุณาเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมครับทนะี่ o ุมน a n นเบลอกไปทางี้ายผมรีบ sedang terburu-buru ผมมีเวลา u n y a waktu กรุณาขับช้าลงได้ไหมครับโปรดอย่าเร่งรีบคารุณาจอดรถที่นี่ครับโปรดหยุดรถที่นี่คารุณารอสักครู่นะครับกรุณารอสครูรอสักครู่ เดี๋ยวผมกลับมาครับ akan s e ก e r a k า m b a l ีขอใบเสร็จให้ผมด้วยครับ t o l o n อ a บ b i l k ั n บั saya ผมไม่มีเงินทอร saya t i ต a k punya u a n ั kecil ไม่เป็นไรที่รหลือนี่ให้คุณครัรบับ อันีิงสิส่งที a ขับไปส่งผมตามที่อยู่นี้ครับอําทางผมไปที่ที่อยู่นี้ขับไปส่งที่โรงแรมของผมด้วยครับอําทางผมไปที่ที่พักของขับไปส่งผมที่ชายหาดครับ Antarkan saya ke pantai.